21เอกวีสติมวัตหนึศาสนกถา200ว่าด้วยหลักคําสอน8ปดร้อยเจสกวาทีคําสอนดัดแปลงใหม่ได้ใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีสติปฐานดัดแปลงใหม่ได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีคาสอนดัดแปลงใหม่ได้ใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีสมัปปทานอิทธิบาทอินทรีย์พร ะ, ระโพชงดัดแปลงใหม่ได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีคําสอนที่เป็นอกุศลในการก่อนในภายหลังดัดแปลงให้เป็นกุศลได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีคาสอนที่เนื่องด้วยอาสวะเนื่องด้วยสังโยชน์เนื่องด้วยคันทะ เนื่องด้วยโอคะเนื่องด้วยโยคะเนื่องด้วยนิวรณ์เนื่องด้วยปรามาตเนื่องด้วยอุปาทานเนื่องด้วยสังกิเลตในการก่อนในภายหลังดัดแปลงไม่ให้เนื่องด้วยสังกิเลตได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลบางคนดัดแปลงคําสอนของพระตถาคตใหม่ได้มีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่ สกวาธีบุคลบคลบางคนดัดแปลงสติปัฏฐานใหม่ได้มีอยู่ใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีบุคลบคลบางคนดัดแปลงสมมติปทานอิทิบาทอินทรีภรพุชงใหม่ได้มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีบุคลบคลบางคนดัดแปลงคําสอนที่เคยเป็นอกุศลในการก่อน ในภายหลังดัดแปลงให้เป็นกุศลได้มีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลบางคนดัดแปลงคำสอนที่เนื่องด้วยอาสวะเนื่องด้วยสังกิเลสในการกรในภายหลังดัดแปลงไม่ให้เนื่องด้วยสังกิเลสได้มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีคำสอนของพระตถาคตดัดแปลงใหม่อีกได้ใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธีสติปัฏฐานดัดแปลงใหม่อีกได้ใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีสมปทานอิทธิบาทอินทร์พละโพชฌงดัดแปลงใหม่อีกได้ใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีคำสอนที่เคยเป็นอกุศลในการก่อนในภายหลังดัดแปลงให้เป็นกุศลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาตีคำสอนที่เนื่องด้วยอาสวะเนื่องด้วยสังิเลสในการก่อนในภายหลังดัดแปลงไม่ให้เนื่องด้วยสังิเลตได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นศาสนกถาจบ 2. อวิวิตตกถา2 0งรว่าด้วยผู้ไม่สงขดร้อยเบเก้สกวาทีปุตุชนไม่สงข์จากสภาวธรรมที่เป็นไปในธาตุสามใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีปุตุชนไม่สงข์จากผัสสะที่เป็นไปในธาตุสามเวทนาที่เป็นไปในธาตุสามสัญญาที่เป็นไปในธาตุสาม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 สกวาทีในขณะที่ถวายจีวรปุถุชนเข้าปฐมฌานอยู่เข้าอาการสานัญญาตนาฌานอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในขณะที่ถวายบินธบาตถวายเสนาสนะถวายคีฬานปัจจัยเพศบริขารปุถุชนเข้าเจตุทะฌานอยู่เข้าเนวสัญญาณสัญญายาตนาฌานอยู่ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น880ปดสรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าปุตุชนไม่สังัดจากกรรมที่เป็นไปในธาตุสาใช่ไหมปัสกวาทีใช่ปรวาทีปุตุชนกําหนดรู้กรรมที่ให้เข้าถึงรูปธาตุและอรูปธาตุได้ใช่ไหมักวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ปรวาทีดังนั้นปุถุชนจึงไม่สงัดจากกรรมที่เป็นไปในาธาตุสามอวิตตะกถาจบสามสัญโยชนะกถาสองร้อยสองว่าด้วยสังโยน์แปดร้อยแปดสิบเอ็ดสกวาทีพระโยคีละสังโยชน์ บ, บางอย่างยังไม่ได้แล้วบรรลุอรหัตผลมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีพระโยคีละสกายทิฐิวิจิกิจฉาศีลปตะปรามาต์ราคะโทสะโมหะและละอนุตตปะบางอย่างยังไม่ได้แล้วบรลุอรหัตตผลมีอยู่ใช่ไหมประวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีพระโยคีละสังโยชตบางอย่างยังไม่ได้แล้วบลุอรหัตตผลมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาธีพระอาหารหันยังมีราคะคือความกำหนัดโทสะคือความคิดประทุตร้ายโมหะคือความหลงมานะคือความถือตัวมัคคะคือความลบหลู่คุณท่านปราสะคือความตีเสมออุปายะสะคือความคร่ำครวญกิเลสคือสิ่งที่ทําใจให้เศร้าหมองอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีพระอระหันต์ไม่มีราคะโทสะโมหะมานะมัคขะปราสะอุปายาสะกิเลตมิเชฟหรือปราวาทีใช่สกวาธีหากพระอระหันต์ไม่มีราคะไม่มีกิเลต ท, ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโยกีละสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วบรรลุอรหัตผลมีอยู่แปดร้ปราวาที ท่านไม่ยอมรับว่าพระโยคีละสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วบรรลุอรหัตผลมีอยู่ใช่ไหมสกวาธีใช่ปรวาทีพระอระหันย่อมรู้พุทธวิสัยได้ทั้งหมดใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นพระโยคีละสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้และบรรลุอรหัตผลจึงมีอยู่สัญญยชนกถาจบ 4อิทธิกถา2 0งรว่าด้วยฤทธิ์แปดสกวาทีฤทธิธ์ตามที่ประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีฤทธิ์ตามที่ประสงค์ว่าขอต้นไม้จงมีใบเป็นนิดของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทีริษตามที่ประสงค์ว่าขอต้นไม้จงผลิดอกเป็นนิดออกผลเป็นนิดขอสถานที่แห่งนี้จงสว่างเป็นนิดจงกเกษมเป็นนิดจงมีพิกษาหาได้ง่ายเป็นนิดจงมีฝนดีเป็นนิดของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมประวัติไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีริษตามที่ประสงค์งของพระพุทธเจ้าหรือระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่สวชกวาทีริษตามที่ประสงค์ว่าพัสสะที่เกิดขึ้นแล้วอย่าดับไปของพระพุทธเจ้าหรือระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีริษตามที่ประสงค์ว่าเวทนาสัญญาเจตนาจิต ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วอย่าดับไปของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีริษตามที่ประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือภาษาวกมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที ริษตามที่ประสงค์ว่ารูปจงเป็นของเที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจงเป็นของเที่ยงของพระพุทธเจ้าหรือระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีริษตามที่ประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวอกมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที ริษตามที่ประสงค์ว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่าได้เกิดเลยสัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าได้แก่เลยสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่าได้เจ็บเลยสัตว์ทั้งหลายผู้มีความตายเป็นธรรมดาอย่าได้ตายเลยของพระพุทธเจ้าหรือพระสาบกมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรยอมรับอย่างนั้น8ปด ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าฤิตามที่ประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีท่านพระปิลินทวัชชะได้อธิษฐานปราสาทของพระเจ้าแผ่นดินมคตผู้เป็นจอมทัพพระนามว่าพิมพิสานว่าจงเป็นทองและปราสาทก็ได้กลายเป็นทองไปจริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ พระวาทีหากท่านพระปิรินทวัชชะได้อธิษฐานปราสาทของพระเจ้าแผ่นดินมคตผู้เป็นจอมทัพพระนามว่าพิมพิสารว่าจงเป็นทองและปราสาทนั้นก็ได้กลายเป็นทองไปจริงๆดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าฤทธิ์ที่เป็นเหตุให้สำเร็จได้ตามความประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือภาษาวกมีอยู่อิทธิกถาจบ หาพุทธกถา20งร้อว่าด้วยพระพุทธเจ้า885สกวาทีพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าโดยกันยังมีความยิ่งความหย่อนกว่ากันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีโดยสติปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโดยสมปทานโดยอิทธิบาท โดยอินทรีโดยพระโดยโพชทชงโดยความชำนาญโดยสัพพัญยุตยานัศนะใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นพุทธกถาจบ 6. สัพพัทิสากถา2 0งว่าด้วยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ทั่วทุกทิศ886รสสกวาที พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในทิศทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีประทับอยู่ในทิศตะวันออกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีประทับอยู่ในทิศตะวันออกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงพระนามว่าอย่างไรมีพระชาติอะไรมีพระโคดอะไร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 สกวาทีประทับอยู่ในทิศเบื้องบนใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีประทับอยู่ในทิศเบื้องบนใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีประทับอยู่ในชั้นจาตุมหาราชชั้นดาวดุงชั้นยามาชั้นดุษสิทธ์ชั้นนิมมารนาลีชั้นปรัมณิมมิตะวัสวตัตดี ชั้นพรหมโรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสัพพทิสากถาจบ 7. ธรรมกถา2 0งรว่าด้วยสภาวะธรรม887รจักวาทีสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเป็นสภาวะที่ผิดและแน่นอนใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีเป็นสภาวะที่ถูกและแน่นอนใช่ไหมป ร, าวารวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีกองหมายถึงแห่งสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนไม่ <serio> ไมีใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีกองแห่งสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนมีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาธีใช่ สกวาธีหากองแห่งสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนสกวาธีสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีกองแห่งสภาวะธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสไว้สามอย่างคือหนึ่งกองที่ผิดและแน่นอน 2. กองที่ถูกและแน่นอน 3กองที่ไม่แน่นอนมิเชฟหรือปราวาทีใช่ส ก, กวาทีหา ก, กองแห่งสภาวธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสไปสามอย่างคือหนึ่งกองที่ผิดและแน่นอนสองกองที่ถูกและแน่นอนสกองที่ไม่แน่นอนท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนสั ก, กวาทีรูปเป็นสภาวะที่แน่นอนเพราะมีสภาวะเป็นรูปใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีเป็นสภาวะที่ผิดและแน่นอนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นสภาวะที่ถูกและแน่นอนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสภาวะที่แน่นอนเพราะมีสภาวะเป็นวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่ สั ก, กวาธีเป็นสภาวะที่ผิดและแน่นอนใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาธีเป็นสภาวะที่ถูกและแน่นอนใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 888. ประรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ารูปเป็นสภาวะที่แน่นอนเพราะมีสภาวะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารกิญญาณเป็นสภาวะที่แน่นอน เพราะมีสภาวะเป็นวิ ญ, ญญาณใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ปรวาทิรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารใช่ไหมส ก, กวาทิไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาธี ดังนั้นรูปจึงเป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอัดว่าแปรผันไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสภาวะที่แน่นอนเพราะมีสภาวะเป็นวิญญาณธรรมกถาจบ8กรรมกถา2 0อรว่าด้วยกรรม889สกสกวาทีกรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีเป็นสภาวะที่ผิดและแน่นอนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นสภาวะที่ถูกและแน่นอนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกองแห่งสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกองแห่งสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนมีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่ ส ก, กวาธีหากกองแห่งสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนส ก, กวาธีกรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนใช่ไหมประวาธีใช่สั ก, กวาธีกองแห่งสภาวะธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสไปสามอย่างคือหนึ่งกองที่ผิดและแน่นอนสองกองที่ถูกและแน่นอน สามกองที่ไม่แน่นอนมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากองแห่งสภาวธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสกองไว้สามอย่างคือหนึ่งกองที่ผิดและแน่นอนสองกองที่ถูกและแน่นอนสามกองที่ไม่แน่นอนท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอน 890. รัก้าสิกวาทีทิฏฐธรรมเวทนิยกรรม เป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอัดว่าเป็นกรรมอันบุคคลพึงเสวยในปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนั้นเป็นสภาวะที่ผิดและแน่นอนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นสภาวะที่ถูกและแน่นอนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาที อุปัชเวทนิยกรรมอปราปริยะเวทนิยกรรมเป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอาจว่าเป็นกรรมอันบุคคลพึงเสวยในอัตภาพต่อๆไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอปราปริยะเวทนยกรรมนั้นเป็นสภาวะที่ผิดและให้ผลแน่นอนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีเป็นสภาวะที่ถูกและให้ผลแน่นอนใช่ไหมปราวาตีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น8 91, ป1ราปรวาตีท่านไม่ยอมรับว่าทิฏฐ ธ, ธรรมเวทนียกรรมเป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอัดเพื่อเป็นกรรมอันบุคคลพึงเสวยในปัจจุบันอุปัชเวทนียกรรม อปปาราปริยเวทนิยกรรมเป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอาจว่าเป็นกรรมอันบุคคลพึงเสวยในอัตภาพต่อตอไปใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเป็นอุปปัตชเวทนิยกรรมเป็นอปปาราปริยเวทนิยกรรมอุปปัตชเวทนิยกรรมเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเป็นอปปาราปริยเวทนียกรรม อปราประปริยเวทนียกรรมเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเป็นอุ ป, ปัชเวทนียกรรมใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาธีดังนั้นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมจึงเป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอัจว่าเป็นกรรมอันบุคคลพึงเสวยในปัจจุบันอุ ป, ปัชเวทนิยกรรม อปราปริยเวทนียกรรมเป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอัตว่าเป็นกรรมอันบุคคลพึงเสวยในอัตภาพต่อๆไปกรรมมักถาจบเอกวีสติมวัคจบรวมกถาที่มีในวัคนี้คือ 1. ศ า, าสนกถา 2. อวิวิตตกถา 3. ส, สัญโญชนกถา 4. อิทธิกถา ห้าพุทธกถาหกสัพพทิสากถาเจ็ดธรรมกถาและแปดกรรมกถา